คนนี้ต้องบอกกันนะครับว่าเป็นแฟนคลับคุณคิงนี่รอฟังเยอะเลยฮะวันนี้มาพร้อมกับเรื่องของผีมอนครับแล้วตอนนี้อยู่ในสายกับผมเรียบร้อยไม่ต้องเสียเวลาอะไรกันเยอะไปคุยกันเลยครับสวัสดีครับคุณคิงอ่าสวัสดีครับพี่แจ๊อ่านะฮะคุณคิงตอนนี้โทรมาจากที่ไหนเนี่ยอยู่บ้านแปลงครับที่เดิมนี่ไม่ได้ไปไหนอยู่ที่ทวันนี้ก็ต้องไปทําไปทําบ้านยิงต่อแต่ว่าพอดีว่ามัน เกี่ยวข้องเรื่อ ง, องเวลาของคนที่เขาทำบุญมาหน่อยมันมพลาดกันนิดหนึ่งก็เลยไปไม่ทันวันเนี้ยอ๋อแล้วก็จะเป็นอาทิตย์หน้าครับก็เลยอยู่ที่บ้านเนะาะครับผมเออมาวันนี้ต้องบอกว่าคุณคิงอ่าติดต่อมาบอกว่ามีเรื่องเกี่ยวกับผีมอนจะมาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไปได้ยินได้ฟังมาหรือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับแฟนผมอ๋อเป็นเรื่องของแฟนเนาะ นะฮะเชื่อว่าคืนนี้หลายคนรอฟังคุณคิงอยู่ฮะคุณคิงพร้อมแล้วเรื่องของผีมอนที่ว่านี้เป็นงอะไรยังไงเชิญเลยฮะครับผมเรื่องนี้เป็นเรื่องของตอนที่ว่าผมไปครับปั้นทางที่ที่ไทยนะทีครับท่านี้ว่าวัดที่ผมไปปั้นเลียครับเป็นวัดขึ้นแต่ไม่ใช่แต่วัดนะเราแวดกันทั้งหมู่บ้านเลยมันเป็นชาวมดครับเป็นเชื้อสของามอเลยอันนี้ว่า ปกติถ้าผมไปทํางานที่วัดผมจะขอในส่วนของสาราธรรมสังเวชหรือว่าในส่วนของสาราที่ว่าเขาเขาเป็นที่ที่คนแบบใครเข้าใครออกก็ได้เพื่อเรา่อจะพักตรงนั้นคแล้วในการที่เขาจะเข้าไปพักเนี่ยเราจะมีผู้บอกกับเจ้าที่เจาทางบอกเจ้าวัดตรงวัดว่าเราจะขอบริเวณตรงเนี้ยละเวลาตั้งแต่ประมาณวันที่เท่านี้ถึงที่เท่านี้เนะี่ยอทำเสร็จแล้วเราก็จะกลับขอให้ตรงนี้เหมือนกับเป็นเขตที่เรามาพักอาศัยนะเรามา มีคาววะมาบ้างมีคน ง, งานบ้างอะไรนี้แต่ว่าวันนั้นอ่ะผมไปที่นั่นแล้ววัดนั้นมีเรื่องแต่กรคือพระอยู่รูปเดียวที่แอกเชื่อมทั้งว<ม>ัดเดตโตกันไหมทั้งวัดมีพระอยู่รูปเดียวใช่ครับอืออ๋อครับอ่แล้วก็ทันนี้ว่าพระท่านก็จะเป็นเหมือนประมาณว่าก็จะเป็นคนที่มีอายุแล้วอ่ะก็จะค่อนข้างชอบพูดนู่นนี่นั่นยิ่งแม้ว่าเหมือนจะขี้ติ ด, ดแต่ทันนี้ว่าเราก็ไม่สนใจเพอเราไป็หมองานเนี่ยเราคนละเรื่องกัน ท่านไม่ให้ผมนอนที่ข้งางล่างบอกท่านว่าผมอยากนอนข้งางล่างท่านบอกให้ขึ้นไปนอนข้าบนซึ่งมันเป็นสารลายนะที่แกับเขาทาหมดเลยเป็นล้านๆแต่ยังไม่เคยมีใครขึ้นไปอยู่ในตะคนอย่แตานให้ผมขึอนอยผมก็เลยแบบเอาหแล้วเราไปไปกับแฟนแล้วเป็นสาลายมันเลยผมก็เลยบอกอกับแฟนว่ า, เ, าเวลานอนอะหาอะไรมากั้นนิดหนึ่งระหว่างเรารือปกติที่เรานอนกันน แล้วเราไปในเกศวันเราก็รู้ว่าเกศวันแต่ว่าอันเนี้ยมันต้องพิเศษเพราะมันเราม่สลายเลยต้องหาในสั้นเยอะๆยหมือนกันครับแล้วพอเรามาได้รู้ได้ฟังว่าขึ้นขึ้นมาเป็นศิลปะนี้และอันนี้มัไม่ใช่ตกใจทุกอย่างทั่วไปนะเขาก็ออบตื่นตื่นความ่าแต่พอเรารู้ว่าไม่ใช่ความว่าเป็นแสกมอรตัวกเขาจะได้ไขกันผมว่าโอ้โหก็คือเป็นศิลปะออกแนวเป็นศิลปะออกแนวมอนไปเลยใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับจะเป็นหงอย่างอย่างถ้าเป็น ใครที่กระปุกสีก็จะเป็นเป็นสัญลักษณ์อะไรเงี้ยแต่ของเขาเนี่ยตามกาแพงเนี่ยจะเป็นสูไปเลยทุนใหญ่อืมอ่าอืาอะฮะครับทีนี้ที่ผมขึ้นไปเนี่ยจะต้องบอกก่อนว่าลักษณะนะที่เป็นประตูเป็นห้องที่เป็นห้องไม้เนี่ยคโดยที่ถ้ามองไปเฉยจะไม่รู้เลยว่าเป็นห้องเพราะว่าประตูของห้องเนี่ยจะเป็นเหมือนกำแพงเรียบไปเลอืมเพราะถ้าใช้วิธีการเดินแล้วมือคําเอาแล้วดูว่าตรงไหนที่ประตูกะดันลงไปอย่างเงี้ยมันทำเหมือนเป็นกลไกซ้อนเหมือนเป็นประตูลับอะไรอย่างงี้ยใช่ไหมฮะ อ่าเหมือนอย่งนั้นนะแต่ว่ามันตอนหนึ่งตอนนึงฝั่งเนี่ยจะมีห้องอยู่ประมาณสี่ถึงห้าห้องจาไม่ได้ว่ามันกี่ห้องเพราะว่าก็อย่างที่ผมบอกมันเรียกไปเลยอ่ะเราไม่รู้ะตกลงมันเป็นห้องกี่ห้องแต่ประมาณนั้นจะเอาข้าเอืาผมอยู่ห้องคือพุทขึ้นหัวกระไดามาเจอเลยเอนห้องแรกเนีเยเ่ยไปพูดหลายเรืองเพราะว่าเราเราเราถ้าเราหมดเขาเป็นลึกเนี่ยมันก็เดินถึงเวลางานคุอืมแล้วการอ่านแล้วถ้าท่านบอกว่าให้ทําข้ามูนเลยผมก็จะแตกใจ่าเอปกติที่เป็นชาวมอน ชาวมณฑ์เขามีวิธีการถึงเยอะนะแต่ท่านตบบอกด้วยคือท่านก็พุยกูเหมือนกโอ๊ยกูไม่กินอะไรมากหรอกมึงอยู่ไปเถอะแล้วมันยังไม่มีการทําวิธีอะไรตอนนี้มันกำลังทำเพิ่งจะเสร็จใหม<ภ>่ๆผมก็อ่านแต่มีพระพุทและพรประทานและองค์เบลเลอร์เลยผมก็เป็นคนสวดมนอยู่แล้วคือทีอ่มันตลาดก็คือในเวลาที่ผมสวดมนต<ภ>์กันเรับผมจะได้ยินคนสวดเลยผมทุกครั้งเนี่ยเวลาที่ผมหยุดใจคือมันไหนที่เป็นสวดตามแล้วพอเราหยุดุทแล้วเายังไม่หยุด่ะมือนเขาหยุดไม่ทัน มันยังไงอแล้ว่าเราตอยู่คนเดียวแต่ผมก็จะเป็นคนนั่งให้เตรวให้เป็นแต่ว่าจะนั่งอยู่ด้วยนั่งประมุ่ด้วยครับสัญญาณวันนี้สัญญาณคุณคิงมันมันมันบางบางยังไงก็ไม่รู้สัญญาณโทรศัพท์อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพู่นะครับครับเหมือนเหมือนมันมันเหมือนเหมือนจะขัดขาดให้หายอ่ะอ๋อฮะฮะฮะกลัวคุณผู้ฟังกา ฟังไม่ไม่ได้ใจความมันนะครับก็เลยบอกคุณโดว่าเปด็อันนี้แจ๋วมากเลยฮะอันนี้แจ่มเมื่อกี้ใช้สมาท้อกอ่ะครับไม่ครับผมใส่ไอบูทูธอะพี่ไม่สมาททอกอออันนี้ดีกว่าเยอะเลยอันนี้สายกิฟตเลยดีฮะมีต่อเลยครับอ่าฮะทีนี้ว่าพอพอผมขึ้นไปนอนเนี่ยผมเจออย่างนั้นในสอสามวันแรกเนี่ยผมก็เริ่มรู้ว่าเออเราเราเคยได้ยินมาบ้างแล้วผมก็ศึกษาเนี่ยเหลืจะบวชมาจะรู้ว่าผี่มอเล็ก็ขาดุแล้ว อาจะไม่ชอบไปทําอะไรผิดผมก็จะคอยเตือนแฟนแล้วก็ใคนเรายังเด็กจะคอยบอกว่าอย่างนี้อย่าทําอย่างนี้อย่าการอยู่ข้างบนตาลาอย่ามาแตะเนี้ยต้องตัวอย่าอะไรเงี้ยผมจะบอกเด็ขาดเลยออืเพราะว่าเรารู้ว่าเขาจะมองดูอยู่นะพวกเนี้ยแล้วที่แจ็คเชื่อไหมว่าปรากฏว่าทั้งพอเราทําถูกเนี่ยเราไม่เคยเจออะไรเลยนะไม่เคยเจออะไรผมก็อยู่วันนั้นจันอาทิตย์คือผมเดินไปอาบน้ําตรงมุมสุดซึ่งมันเป็นมุมที่มืดแล้วมันจะมีอยู่ห้องหนงที่แจ็คที่เขาเปิดประตูแง้มไว้ตลอด หลายครั้งที่เราเดินผ่าน อ, อ้ผมเราตอนนี้ผมโดนฝนลุกลายหลายครั้งที่เราเดินผ่านนะพี่อผมจะมีความรู้สึกเหมือนว่ามันมต้องมีใครมองอยู่ตรงนั้นนะผมก็เลยแบบตัดสินใจว่าใครเราก็กลนะัวไงวันหนึ่งผมเดินมาวันที่ห้าผมตื่นมาเนาะแล้วผมก็เดินมามือปิดประตูแล้วตื่งแล้วผมก็เดินมาแฟนทำแล้วตงเขาทาไมอนะ่ะผมบอกอ๋อก็เห็นเพลงบอกว่าไม่สบายใจไม่ใช่ แฟนผมก็บอืมอื อ, อืมเพหน้าแล้วก็เข้าไปอาบน้ำระหว่างที่แฟนผมอาบน้ำอยู่ผมยื น, อนรอข้างหน้าประตูแต่ประตูมันเป็นประตูที่หลักมากแล้วมันดังเออเอืเออเอลาเปิดแล้อมันก็โยกออเออเออเออเออเออเออเออมออ่ออเอมเออเออเอ่นนเออเออเออเออเีหเออเออนมมอ อ, อๆๆๆเออเออเออนออเออเออเออเออเออเออเออเออเอมเออเออเออเออเออเอเออเออเอเออเออเออเกอเออเออเออเกลัวอเออ แล้วผมก็ทาํางานเนี้เป็นปกติจะไยินเสียทุกวันแต่มันมาถึงจุดที่ตอนที่ว่าวันหนึ่งเนี่ยผมบอกกับแฟนผมว่าช่วยขึ้นไปหากระป๋องอะไรก็ได้มาสักอย่างหนึ่งเพราะว่าเราเจอกระป๋องมาขยําปูนปั้น <c oughs> แล้วแล้วเวลาผมทําข้างล่างเนี่ยแดดร้อนมากไง <c oughs> <c oughs> ปูนปั้นจะแห้งเร็วมากเลย <c oughs> ผมก็เลยบอกอยากได้กระป๋องมาสักใบเอามาครอบไว้เวลาที่เราขยำแลว้ว <c oughs> อ่ะแฟนผมก็เดินขึ้นไปหาข้างบนที่แท้เขาหายไปนานมากไปนะ <c oughs> ผมก็ว่ามันนานขนาดนั้นเลยอ่ะ หรือว่าจะยังไงผมก็เลยเดินขึ้นไปดูอืมเขายืนอยู่หน้าประตูยืนเออไม่ยืนนั่งพับเทียบอยู่หน้าประตูผมถามเป็นอะไรเขาไม่ตอบผมครับประตูบานที่มีปัญหานั่นใช่ไหมฮะใช่ครับใช่คือสุดมุมในสุดก่อนถึงห้องน้ำผมก็เดินไปตะกิ้เขาตะกิดบากเขาต้งใจเขาหันมากาะผมแล้วค่อยๆเดินเดินเดินเดิลงมาเดินวนตัวสั่นผมก็ถามเป็นอะไรเขาบอกไปก่อนไปก่อนก่อนไปก่อนไก่อนเดี๋ยวไปพูดเดี๋ยวไปพูดเดี๋ยวไปพูดคือพอพอเดินลงมาปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าเขาทําอะไรไม่ถูกขาอ่อนเพราะว่า เขาเจอผู้ชายคนหนึ่งคือเขาเดินผักเข้ามาที่ประตูหาหามาทุกทุกห้องเลยเพราะว่าไม่มีใครอยู่เลยไงเราก็สามารถจะทําอย่างนั้นได้ครับหาก็ะป๋อว่าทุกห้องพอมาเจอไอ้ห้องนี้ห้องเจ้าปัญหาเนี่ยซึ่งมันเปิดอยู่เขาก็เลยจะงงหน้าเข้าไปรอยหนึ่งแต่ระวังที่จะงงหน้ามีคนแก่ตัวเล็กยื่นหน้าเขามาตรวจสิทธหน้าเขาแล้วก็บอกว่าจะหาอะไรแต่หน้าเขาเกี่ยวกับเกี่ยวกับเป็นรอยเล้าๆอ่ะพี่แล้วเขาก็นั่งยอมยอมลงสูบยาเส้นตรงนั้นแล้วเขาก็นั่งมองแฟนผมซึ่งแฟนผมถามวันแล้วเมื่อที่เห็นไหมอยู่แล้วห้อง ผมบอกไม่เห็นไม่มีใครแฟนผมบอกตอนนี้ผมไปเนี่ยตาแก่คนนั้นยังพยักหน้าใส่ผมเลยว่าผัวมึงมาตามแล้วเขาว่างั้นเนาะแต่ผมบอกไม่มีใครออืผมเสียงไม่มีใครผมก็เลยเบ่อเอาแล้วเว้ยแฟนกูเจอละคือทั้งศาราแน่นอนว่าไม่มีคนอื่นอยู่แน่นอนมีแค่เรากับแฟนอือใช่ใช่พี่เพราะว่าพาร์ทเนี่ยให้ผมขึ้นไปอยู่แล้วพร์ทบอกว่ามึงจะขึ้นจะลงไรมึงปิประตูด้วยจะไม่มีใครขึ้นไปได้นอกจากมึงถือกุญแจอยู่แค่สงคนผมเมียคือท่านพูดอย่างนี้ ผมก็แล้วเขาจะขึ้นไปได้งไงอ่ะพี่แล้วแฟนผมเขาบอกว่าตอนที่ผมไปเนะี่ยเขายังนั่งอยู่ล่าประตูอยู่เลยแล้วเขาก็ไปยักหน้าและยิ้มให้ผมแต่ผมกลับไม่ยิ้มแล้วก็มาตะกิดแฟนผมซึ่งแฟนผมตอนนั้นเขารู้สึกเหมือนคนแต่ทำไมขนลุกแล้วขยับตัวไม่ได้ออผมก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นก็ไม่ทําหรือถ้าจะทํำก็ไปนอนข้างนอกสคืนนั้นแฟนผมฝันว่า มีคนมาบอกว่าทำต่อไปเถอะเขาไม่ได้มาทำร้ายอะไรนะใส่จุดขาวนะในขณะที่ผมมาในฝันนะผมก็นั่งทำขาช้างอยู่แล้วมีคนสขสชุดขาวแหะมานั่งทำอยู่ฝั่งหนึ่งของขาช้างโดยผมด้วยนะนี่คือคืนแรกแต่ผมเล่าให้ผมฟังผมก็บอกเฮ้ยมันจะเป็นแบบว่าหนูทิดพยายามคิดเข้าข้างตัวเองเปล่า เขาก็เลยมาเข้าฝันแฟนผมป้อนอีกคืนหนึง<ม>่งคือมากันทั้งกลุ่มแล้วแต่งชุดแบบทามอน่นคือแต่งชุดม้าห้อมว่ะพี่แล้วก็มานั่งช่วยกันทําแล้วก็รูปหน้ารูปหลังเราบอกไม่ต้องกลัวนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรอืผมก็เลยบอกอถ้าอย่างนั้นคงไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรไม่ว่าพี่จันผมก็ทํางานปกติทีนนี้ผมต้องขึ้นไปหาเตรียงเพื่อนที่จะเอามาปากตัวตรงขาปูนอ่ะตรงปูนอ่ะตามตามตัวช้างให้เรียกก่อนที่จะขึ้นเป็นผิวหลังอีกชั้นหนึ่ง ผมก็เดินขึ้นไปข้างบนคนเดียวคนี้ผมไม่ใช้แฟนผมนะผมก็เดินเดินดิ่งไปห้องสุดท้ายเลยผมอยากรู้ว่ามันจะมีอะไรเพราะห้องอื่นเราแฟนบอกเราไม่มีอะไรเลยสักอย่างหนึ่ง <c oughs> เราอยากรู้ห้องนั้นจะเป็นเครื่องมือไหมอะไรไหมเพราะเห็นเขาบอกว่ามันมีอยู่ห้องหนึงที่เป็นเครื่องมือพ้าบอกเองเพราะผมเดินเข้าไปเราไม่คิดอะไรพี่แจ็คเดินเข้าไ ป, ปา <c oughs> แล้วเปิดกั้ง <c oughs> เข้าไปพี่แจ็คมันเป็นโรงโรงเย็นที่เขาใช้ครอบตกศพอยู่ห้องนั้นเฮ้ยไอโรงที่เป็นติดแอ่นะใช่ใช่ี่อยู่ในห้องนั้นจริงเหรอ ผมเด้งออกมาแล้วผมให้กูว่าแล้วแต่กูเจอเลยผมคิดอย่างนี้เลยนะผมเด้งแต่ว่าไม่มีอะไรนะผมรู้สึกว่าไม่ไม่มีอะไรแต่รู้สึกว่าฝนรุกเพราะผมเปิดโค้าไปแล้วคือโรงมันตั้งอยู่อันเบลเลอร์เลยอะ่ะมันใหญ่กว่าโรงทั่วไปเพราะมันเป็นมันครอบโร ง, งทีนี้ี่ให้โรงแอร์เย็นเนี่ยผมก็เดินอ้อมหลังพระปรธานน่เดินแล้วก็เดินไปอีกฝั่งนึงที่แผมก็คิดว่า ถ้าห้องนี้เก็บลงคงไม่ใช่คือมือคงอยู่ห้องอีกฝั่งหนึ่งซึ่งไม่เราไม่เคยเดินไปดูเลยอพอเปิดโค้กไปถ้าห้องที่แจ็คเป็นโรงเย็นหมดเลยโอ้ยจริงมะโ อ, อ้ยคนลุกจะป้าเราจริงโอ้แล้วพีแกให้ผมไปนอนบนนั้นโดยที่แจ็คไม่บอกผมสักคำอะพี่คือแต่ละห้องคือเป็นห้องห้องเก็บโรง เ, เย็นใช่ครับคือไม่รู้ว่ามีศพอยู่ข้างในหรือเปล่า ไอศพคงไม่น่ามีที่สัญล็อยมันต้องเคยใช่ไงถูกต้องมันต้องเคยใช้มแก่นอนต่อให้มีศพหรือไม่มีศพผมว่าบรรยากาศการนอนมันไม่น่านอนแล้วนะใช่ผมรู้อย่างนี้ผมแบบแต่ผมคือจะไม่พูดผมบอกเองทันทีผมยืนกัดตากปองว่าผมไม่พูดผมไม่พูดพไม่ไม่ถ้าเกิดพูดอยู่ไม่ได้แน่เดี๋ยวแฟนไม่ยอมอยู่อยู่ไม่จบทค่อคุณคุณคิงคิดน่าคุณคิงคิดว่าจะไม่พูดกับแฟนไม่บอกแฟน ไม่บอกครับและจะพยายามข้าไม่ให้เดินไปฝั่งนู้นด้วยและจะต้องให้ระมัดระวังมากขึ้นแต่ที่พอใจอารมณ์ท้องว่าผมเมีแมแฟนนะอื ม, มันมีวันหนึ่งคือเหนื่อยพอเหนื่อยเสร็จเดินขึ้นกรไดขึ้นมาเนี่ยแฟนผมเขาโหนโหนบ่าผมบอกโอ้ฟ้าไม่ไหวแล้วอผมก็เลยบอกเอออีกไม่กี่วันก็เสร็จแล้วพ้าหนก็ไดแล้วก็เดินขึ้นแล้วผมก็ลืมลืมคิดเรื่องนี้เพราะมันก็แทบโหนไหลไงที่อืแต่คําพูดเราพูดได้ว่าเราจะไม่แตะเนื้อต้องตัวกันเมื่อคืนเดินบนสลาอ่าใช่ แค่โหนไหลนะที่เขโอฟ้าไม่ไหวแล้วอีกวันจะเสร็จสงมรรบของเวลาไม่น่าเกินสามที่วันแหละเดี๋ยวจะเร่งแล้วกันเนาะซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้<ม>คิดอะไรอ่ะใช่ไหอไม่ได้คิดอะไรค ม, มันไม่ได้มีเรื่องการปรมณ์เข้ามาเกี่ยวเราแค่หวนบ่าแล้ ว, ลวก็เป็นคือผมแคให้กำลาใจกันเองอ่ะอืคืนนั้นเป็นคืนที่ทําให้แฟนผมอยู่ไม่ได้จะต้องออกมาเช่าอยู่ห้องน อ, อเพราะในขณะที่นอนอยู่ในเต็นท์เน่ยกันแล้วมีผ้าผ้าม้วนเป็นเกลียวเกลียวกั้นไว้ตรงกลางอะพี่ เขาพลิกมาคือปกติเขาก็จะนอนมองผมเขาบอกแต่เขาพลิกมาวันนี้เขาเห็นมีคนนอนซ้อนอยู่ข้างหลังผมอีกแล้วมือโอบเอวผมโอ uh ้โ huh. หและเขาก็หันหน้าหนีเพราะหันหน้าหนีเสร็ุ๊บเขาเพื่อความมั่นใจเขาหันกล้ามาทีนี่คือครั้งที่เขาต้องแหกปากเพราะว่า uh huh. เขาหันมาแล้วหน้ามันไม่ใช่หน้าผมหน้าเป็นหน้าของตาแกคนที่แกว่าเจอนั่งดูยาเส้นวันแรกอ uh ่ะอหแต่หน้าคราวนี้เขาไม่ยิ้มแล้วเขาก็บึง uh ้ง huh. แต่ไม่พูดอะไร uh huh. แฟนผมขึ้นเด้งแล้วก็ร้องแหกปากจนผมตื่น ออืเขาบอกลงลงลงผ้าลงลงลงลงลงไม่อยู่ไม่อยู่นะปีหนู่ที่สองประมาณนั้นไม่เกิดผมก็รีบลงล่างล่างมาเท่าเดียวเลยะทํามเป็นอะไรผมบอกใหญ่เงี้าบอกว่าไม่เห็นมีอะไรงไงที่เนี้ยอืแต่ก็ถามคำหนุ่ยบอกมึงไปทําอะไรผิดกันเนหะตอนแรกผมไม่เคยคิดว่าผมทําอะไรผิดที่แกก็แค่โหนบ่าแต่พอเรามานั่งเล่นหลังๆเราเป็นคนพูดเองว่าจะไม่แตกเนี้ยต้องตัวกันออืแต่มันก็แค่โหนบ่าแต่มาที่แกคือเขาไม่ได้คิดอะไรเราก็ไม่คิดอะไรไม่ได้โอบกอดไม่ได้อะไรเนี้ย มันก็เป็นเรื่องพอก่อนที่จะออกก่อนที่จะออกคือเรารอจนเช้าเพราะว่าเราจะสะตาร์รถออกไปยังไงก็คือเกรงใจเขาอ<ล>ะ่ะรอรอวันมันก็มีอะไรเงรี้ยอืผมก็เลยแบบนั่งคุยกับหลวงตานั้งจนเช้าพอเช้ามื อ, อเสร็จุค่ามืดนะยังไม่ทันจะสว่างดีเลยขี่มอเตไซคจะออกผมเงยขึ้นไปมองข้างบนเจอคนที่แฟนผมพูดค น, นั่งค อ, อยขาลงมาแล้วต่งแล้วดูจะเต้นใช่ฮะใช่แล้วแต่งขาแล้วก็มองหน้าแล้วแล้ยวก็คุณคิงเห็นเอง อันนี้คือผมน้าต่างไกลๆครับไกลๆแ ต, แต่ผมไม่รู้ว่าใช่คนเดียวแต่แฟนผมบอกหน้าใช่คนเดียวกันเขาบอกลักษณะคีอจะเส้นเหมือนเดิมใส่กางเงขาสั้นใส่เสื้อาพอปกสีฟ้าคล้ายๆจะเป็นเสื้อบน อ, อืมอือหือ่ใช่อะไรครับพี่คือผีมอนแล้วเขาบอกกับผมเลนะว่าดีแค่ไหนแล้วที่เขาทําแค่นั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราเราไม่ได้ทําอะไรที่ผิดเพียงแต่ว่าถ้าเราจะพูดอะไรอ่ะเราควรจะกากับคำพูดเราให้ดีก่อนที่จะพูดคือเราเล่นเล่นใจคําว่าไม่แตะเนื้อต้องตัวกันเลย ซึ่งทางทางมอนเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะเคร่งครัดในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งเป็นอ่าในในวัดในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เขาก็จะเคร่งครัดหน่อยนะครับแล้วหลังจากนั้นในขั้นต้นเลยผมบอกว่าผมไม่อยากขึ้นไปข้างบนแต่ท่านก็ดันให้ขึ้นไปนี่ถึงแบบไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยให้เจ้าวัดให้เราขึ้นไปเราก็ต้องขึ้นเนาะเขาให้นอนตรงไหนก็ต้องตรงนั้นแหะครับแล้วเหลืออีกกี่วันนะฮะที่เราต้องไปเช่าอยู่ข้างนอก ผมเปิดโรงแรมนอนประมาณสามสี่คืนประมาณเนี่ยที่แล้วก็คืนสุดท้ายเป็นคืนที่ที่แจ็จําเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังเลน้อง แ, แฟนผมเจอที่โรงแรมนั้นนะครับที่ว่าเขาขึ้นมากระโดดเอาเข่ากระแทกหน้า อ, อกแฟนผมอคือช่วงนั้นเน่ยเหมือนดวงแฟนผมจะเจอติดติดติดติดกันเลยอ่ะคือเจอต่อเนื่องครับจาก<ต>อันนี้ี่่มมออนทากงแล้วก็ไปนะพักโรงแรมแล้วก็ไปเจออีกเหตุการณ์ณนะวันนั้นที่เล่าให้ฟัง ใช่ เ, ใชเดี๋ยวผมย้อนกลับไปบนศาลานี้ก่อนศาลาที่ว่านี้เขาสร้างขึ้นมาเพื่อทําอะไรฮะศาลานี้เป็นศาลาที่ใช้ลักษณะาาเหมือนกับเป็นแทนแทนศาลาเจ่าที่เขาใช้ต้อนรับโยมเวลาที่โยมมาใส่บาตรวันพระแล้วก็มานั่งถือศีลมาทําบุญร่วมกันเพราะว่าบทของเขาเนี่ยจะเป็นบทถ์ปูนดำซึ่งมันเก่ามากอายุไม่รู้กี่ร้อยปีเขาบอกว่าเขาไม่กล้าใช่วัวมันจะพัง เ, เขาก็าลังพยายามที่จะหาวิธีบูรณะอยู่ก็เลยสร้างตรงนี้ขึ้นมาแทนสําหรับ รองรับคนอาสารา<ห>ที่<ต>ว่านี้นนคือก็เปรียบเสมือนกับสารากา ร, ปรเปลี่ยนที่เอาไว้ต้อน<ช>รับญาติโยมเอาไว้ให้ญาติโยมมาไหว้พระทํากับข้าวเลี้ยงพระอะไรอย่างนั้นใช่ไหมฮะครับข้าวจะเป็นขงข้าวอยู่ข้งางล่างคะอ่าแล้วปกติถ้าเป็นสาลากา ร, ปรเปลี่ยนทั่วไปเนี่ยเอาเท่าที่ผมเคยเห็นเข้าที่เข้าใจก่อนคือมันจะโล่งถูกไหมมันจะโล่งไปเลยมันจะไม่มีห้องแต่ของที่นี่มีห้องด้วย คือเป็นยกชั้นเอ่ยกเอ่อชั้นเดียวยกสูงกว่า<ช>พี่แต่ชั้นล่างทางของข้าวชัช้น<ช>บนก็ท่านตั้งใจจะให้พระที่สูที่มาจามับบรรพานน<ม>่ะครับแต่ในขณะที่ท่านอยู่รูปเดียวน่ะท่านก็จะเอ่อผมก็ไม่ใช่ว่าดันกับแน่นไปสิิ์ของท่านนะ<ช>่ะท่าเราลงเย็นไปเก็บ<อ>แต่ที่ผมสงสัยนะผมสงสัยมาจนวันนี้แล้วยังไม่รู้ด้วยไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวว่าเป็นเช็คอะไรของท่านหรือเปล่าที่ท่านต้องออกไปไว้ทุกห้องเลยทางอีกฝั่งที่ไม่มีคนอ่าทำไมต้องเอ่อ คือโอ้โหแล้วยังให้เราขึ้นไปนอนอ่ะคือทําไมท่านไม่บอกก่อนหรือท่าน<ช>ไม่คิดว่าเราจะไปเปิดดูใช่ออแล้วอย่างหนึ่งนะพี่จะไม่ได้ว่าไอ้เรื่องกดดูนะท่านเคยพูดแล้วว่าเครื่องมือมี อ, อยู่บนนั้นมึงไปหาดูเอาว่าห้องไหนเพียงแต่ว่าผมไม่รู้ว่าท่านจะมุกหรือท่านจะคิดว่าเราไม่กลัวเพราะท่านเคยถามผมแล้วว่าปกวัดสี่หนึ่งไปทำกับวัดเช่นท่านนอนวัดนี่แหละไม่กลัวผีบ้างเหรออะไรเงี้ยผมก็บอกอ๋อผมไม่กลัวผ ม, มแต่ผมไม่เคยเล่าผมเจอไม่เคยเล่าให้ท่านฟังแล้วพี่แจ็คในภาพพี่แจ็คถ้าเป็นผมอ่ะ ผมปกติผมยอมรับว่าผมเป็คนคนที่แท็กใจเนี่ยผมจะตันแต่ผมไม่ได้กลัวจนขาดสติตั้งสติได้แต่วันนั้นน่ะที่ผมเปิดไล่เปิดไปทีละห้องแล้วผมเจอลทงทุกห้องที่แค่ขาผมมันอ่อนลงทุกครั้งที่เปิดประตูะคือเปิดปุ๊บก็แบบรีบมันเป็นอาการขนลุกขึ้นมาปุ๊บพอเดินไปเปิดห้องแล้วยังเจออีกออืจนผมไม่อยากจะเปิดห้องต่อไปแต่ผมต้องหาเกียงให้ได้ไงผมเลยท้อเปิดแล้วมันไม่ได้เกียงมันได้ลทงทุกห้องเลยครัโอ้โห เจอกี่โลงนะทั้งหมดก็ริมน้นจะห้าห้องแต่ริมนี้ย ม, มีห้องเดียวคือห้องท้ายสุดก่อนอยู่ห้องน้ำคือผมแบบห้าห้องอ่ะพี่แจ๊ดแล้วเรานอนคือหันหัวไปทางนี้หมดเลยอ่ะเรหันหัวหมันหันหัวออกประตูก็คือมันก็หันไปทางเดียวกันกับที่เขาตั้งลงหันมาครับครับแล้วมันมีแค่ลานตรงการสําหรับที่ค น, นเวลาที่ขึ้นมาแล้วก็มานั่งถวายข้าวพระมานั่งสวดมนต์อย่างเงี้ยอืาอ่ากั้นกลางแล้วแล้วบนนั้นมีผงกาแฟอยู่สองคน ม, มาตลอด คดยเราถือกุญแจลงไปเราก็ล็อกขึ้นมาเราก็ล็อกข้างในแล้วมันมีเสียงคนสวดมนตามผมทุกวันคือมันประกอบหลายๆเหตุการณ์และมีเสียงคนเดินไม้ลั่นทุกวันมันไม่ใช่ไม้ลั่นแบบลเงียบมันเป็นแสบแสบแสบบเหมือนอะไรอย่างเงี้ยทุกคืนเลยผมก็แบบเหมือนคนเดินนอนเหงอยทุกคืนเลยเลยเสียงทุกคืนเสียงเหมือนคนเดินใช่ไหะ ครับครับคือมันจะต่างกับไม้ล่านพี่แก้วถ้าคนรู้นะจะต่างกับไม้ล่านมากเลยมันต่างกันแล้วมันเป็นกระดานไอ้โล่งกระดานที่เป็นไม้ันยดใหญ่มนล่านเป็นจังหวะคนเดินเอ๊ะมันต่อกันและใช่ใช่แล้วนะฮะแล้วจากวันนั้นถึงวันนี้ครับคุณคิงแฟนคุณคิงรู้อย่างว่าที่ไปนอนตรงนั้นนี่ยในห้องบางห้องมีโลงที่เก็บโลงเย็นอยู่ก็เลยตรงๆว่ารู้ตรงนี้แหละที่รู้นั่งข้างๆผมผมเล่าวันนี้แหละเนี่ยจริงมาก พี <c oughs> ่องเนี่มันนั่งมองหน้าอยู่เพ <c oughs> ี่คุณขีนก็ใจร้ายยังเลยอ่ะคือหลังจากนั้นคือพอพอไปพักโรงแรมก็ไม่เล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังผมกะจะเล่าแต่<อ>เดี๋ยวเขามากะให้งานจบแล้วจะเล่าแต่เขามาเจอคืนสุดท้ายของโรงแรมเพราะโรงแรมเนี่ยผมไปนอนทุกคืนนะอ่ะผมไม่ใช่ว่าอยู่ห้องเดิมทุกคืนนะพี่ผมเปลี่ยนคืนละห้องออืแล้วผมไปเล่าให้แกฟังว่าไอห้องเนี้ยมันเป็นห้องอลิมไนสุดซื่อเราไม่เคยนอนแล้วห้องอื่นมันไม่มีไอไอเนี่ยไอดินต่อพองเดิมกับของปิด ในห้องนี้มันมีแล้วมันตุ้งใหม่ๆด้วยอะพี่ครับแล้วพอผมเข้าไปเสร็จปุ๊ลูกบิด ก, ก็เหมืนอนพุ่งโดนหรือกอนก็เหมืนอนพุ้งโดนย้ายที่แบบอันนี้โดนงานสมาตรอันใหม่ไอ้ลาวตากผ้าข้างในก็ขาดลูกบิดห้องร้านก็คือโหวดแล้วแผนฟิวเตอร์บอร์ดผิดไวอ้อะผมว่าใช้ห้องนี้มาอะไรตั้ง น, นานไม่เป็นไปได้เลยเนี่ยแล้วคุณคิงก็หัวเราะสะใจมากเลยพอบอกว่าแฟนเพิ่งรู้วันนี้เนี่ย<ค>เขาอสารเขาแล้วไม่เล่าให้เขาฟัง่เล่าให้เขาฟงังหน่อยว่าเฮ้ย คือหลังจากที่ออกมาแล้วต้องบอกแล้วว่าเฮ้ยในนั้นมันมีโลมาเจอโน่นเจอนี่เขาจะได้สบายใจแ ต, แต่ทุวันนี้เขาแก่งขึ้นนะพี่อย่งางเวลาไปทำงานวัดเนี่ยครับเมื่อก่อนเนี่ยคือจะเกาะติดผมเลยห้องน้ําทุกวันเนี้ยเขาบอกตาเขาเข้าห้องน้ํำนะผมยังรู้ไม่กันถึงไหนเลยแฟนผมไปถึงห้องน้ําแล้วอะ่ะโดยไม่ต้องรอผมด้วยคือเหมือนเขาแก่งขึ้นไงเขาเจอบ่อยๆบ่อยๆองเงี้โอ้เจอบ่อยไปมันก็แต่เกาเข้าใจนะคือเราเราไปทํางานในที่เขาอ่ะ ต่างที่ต่างถิ่นอะไรอย่างเงี้ยครับโอกาสเจอก็ต้องเป็นเป็นเป็นมากกว่าปกติอยู่แล้วเปอร์เซ็นต์เจอมันเยอะอยู่แล้วโออนะฮะแล้วต้องไปแบบว่าไปทีหนึ่งไม่ใช่แบบว่าไปค้างแค่คืนเดียวนะฮะไปทีนึงเป็นอาทิตย์นะพี่แดงเร็วเร็วเนี้ยเร็วเรวเนี้ยคือว่ามีคนคนเขาติดต่อมาเดี๋ยวจะให้ผมไปทําเร็วเร็วเนี้ยเดี๋ยวพี่ดูนะว่าไปวันนี้จะมีอะไรอีกไหมครับเดี๋คือดูนะที่เดิมหมอไม่ได้ไม่ได้คนที่อันนี้ไปทาง เป็นเขาพูดเอาไว้นะว่าเขาเลือกเอาไว้ว่าจะให้เป็นวัดทางร้อยเอ็ดแต่ผมยังไม่รู้ว่าจะเป็นวัดไหนแต่เขาบอกอาจะมีโปรแกรมเปลี่ยนนะอันนี้อาจจะมีโปรแกรมเปลี่ยนอ๋อโอ้โหชีวิตเนาะคือตะเวนแล้วก็ต้องส่วนมากเนาะผมว่าคุณคิงนะแต่พักในวัดจะเป็นส่วนใหญ่ใช่ใช่ครับมากกว่าที่บ้านคือว่าเราเองไม่อยากจะทำเท่าไหร่หรอกแต่ว่าพระท่านจะบอกว่าพักไปเจอมันไม่มีใครว่าหรอกท่านเขามาทําเขาก็พักกันอย่างนี้แหละครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแต่เราจะรู้ลิมิตของเราไง เพราะเรารู้ว่าเราเห็นอะไรมาบ้างรู้อะไรมาบ้างครับเราก็จะไม่ค่อยทำอะไรที่มันแบบปฏิเสธปฏิเสะเดินถ้าเดินอยู่เลยตรงที่มันแบบไม่ใช่ในเซตเราเนี่ยผมจะไม่เล่นไม่ปวดล้อต่อกริบกันเลยนะผม <S <S จะ่นมาห่างกันไว้ครับเพราะเราไม่รู้ว่าบางที่เนี่ยเจ้าที่เจือวัดตรงวัดเขาดุขนาดไหนเราก็ไม่รู้เหมือนกั น, น, บบนเขาอาจจะไม่ชอบกิริยาอะไรบางอย่างก็ได้ใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ โอ้โหดูสิเนี่ยเนี่ยผมว่าวางหูไปเลยต้องไปนั่งเคลียร์กาแฟนเลยนะว่าเฮ้ยน่าจะมีเป็นชั่วโมงละที ผมว่าต้องไปรีรันเรื่องนี้คุยกันใหม่เลยว่าเฮ้ยเข า, เขาต้องถามแน่นอนว่าตกลงมันยังไงอะไรยังไงเปิดเข้าไปเจอลักษณะแบบไหนอะไรยังไงใช่ออแต่แต่ว่าอ๋อผมเคยพูดอยู่ว่าไอแถวเดียวกับเราอ่ะมันมีอยู่ห้องหนึ่งห้อง<ถ>ท้ายอ่ะ<ถ>ที่ว่าหนูไปเจอมาอันนั้นเป็นโรงแต่ผมไม่ได้บอกว่าอีฝั่งเลยห้าโรงอะผมไม่ได้บอกแต่วันนี้รูออ้แล้วอะรู้ตรงเนี้ยนะนั่งพูดอยู่ในนั่งมองแล้วผมอยู่เนี่ยไอโรงหนึ่งมันยังไม่เท่าไหร่ไงแต่บอกว่าอีกฝั่งเลยมีห้าโรงเลยผมมันเยอะมากไงแบบโอโหเราไปนอนอยู่กับ ที่เก็บโรงเย็นน่ะแล้วแน่นอนมันต้องเคยใช้มาต้องเคยใช้มา<ช>แน่ๆโอ้ตอนนี้หรวงพี่ที่จะไม่ใช้ผมเชื่อว่าแล้วถ้าอยู่กับวัดตรงนผ้คม่หยุดใครเอามาบริจาคทีเดียวห้าหกลงเงี้ย<อ>แต่คมจะแบบค่อยๆทยอยโดยจาคมาแล้วก็ใช้ใช้เพรามันมีเยอะพื่อด ล, ลับกันอะไรอย่างานั้นแล้วผมคิดว่าโอ้โหเอาเอาเดี๋ยววางหูเสร็จปุ๊บไปเคลียร์กันดีดี ขึ้นมาเฉลยกับวันนี้นะครับได้ให้คุณคิงวันนี้มาปิดท้ายกับผมแล้อให้ผมแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านตื่นเต้นแน่นอนกับเรื่องนี้นะครับเรื่องของผีมอนที่ไปเจอมานะครับนะได้ครับคุณคิงแต่ถ้ามีโอกาสเหมือนเดิมนะฮะกว้างเมื่อไหร่กลิ้งกลางมาได้ตลอดเลยคุณคิงแล้วก็เวลาเดินทางไปทำงานที่ไหนอะไรยังไงก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับคุณคิง ขอบคุณมากครับไปแช้งตรวการและพี่รักษาสุขภาพนะครับพี่ครับผมเช่นเดียวกันนะครับครับครับผมสวัสดีครับ